สวัสดีค่ะท่านฟังคะรายการสันสนีสนทนามารายงานตัวกันอีกแล้วที่สถานีวิทยุ FM-106 วิทยุครอบครัวข่าววันนี้หลายคนก็คงจะคิดคำนึงแล้วนะคะว่าโอ้ น, นี้ใกล้จะปีใหม่แล้วหรอเนี่ยปีเก่ากำลังจะหมดไปแล้วหรอก็แล้วแต่ที่ท่านจะคิดจากาเรื่องราวของตัวเองนะคะว่าไอ้เรื่องที่ตั้งใจทาไว้เสร็จไปแล้ว ยังไม่เสร็จที่ผ่านมาผลประกอบการอันนี้ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการคงจะต้องคิดภาพกว้างอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งสรุปไม่ว่าท่านจะเป็นใครถ้าหากว่าตั้งข้อสังเกตกันดีๆจะพบว่าเวลาผ่านไปเร็วนะคะบางอย่างเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอ้าวนึกว่าอีกตั้งนานนี่มาถึงแล้วหรอแล้วบางคนก็บอกว่าเพื่อผ่านวินศวกรดีมันเป็นวันเวลาแห่งความไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ แต่บางคนก็อาจจะบอกว่ากลัวนะไอ้ข้างหน้าเนี่ยบางคนเขาพยากรเอาไว้ว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้ไปเจอคนค้าขายหลายๆคนนะคะก็ชอบมาบ่นเรื่องของค้าขายของไม่ค่อยดีบางคนก็พูดคำหนักๆหมดนี่จะตายอยู่แล้วนะจะทํายังไงดีเด็กก็ไม่รู้จะบอกอยังไงก็บอกว่าอดทนไว้นะคะแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองตัวเอง ให้อยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มนะคะเช่นพวกเข้าตลาดหุ้นถูกจังหวะระยะหลังในหุ้นมันพุ่งแรงหรือว่าซื้อทองถูกจังหวะเนี่ยซื้อไว้ตอนถูกตอนช่วงไม่กี่วันหรือห่วงเวลาเนี้ยขาบผมเป็นประวัติการของโลกเลยแล้วมาอ่านหนังสือพิมพ์ก็พบว่าทางนายกสมาคมผู้ค้าทองก็พูดถึงว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกนะ ทีฉันเองไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจะไปพยากรราคาทองให้ท่านไปซื้อตามน่คะนี่อ่านตามหนังสือพิมพ์แต่ที่สนใจของที่ฉันเองก็คือสนใจว่าเขาบอกว่าร้านทองถึงคราววิกฤตหนักภาวาโกฟิวเจอร์แย่งลูกค้าซื้อขายทองปีนี้ลดหัวบ้าบสองเท่าตัวหมายถึงว่าซื้อในร้านทองนะคะบอกว่าปล่อยไว้มีแววหกพันแห่งอาจเหลือแค่ หกร้อยแห่งโหลดลงไปเยอะมากเลยนะคะจาก6กพันหนึ่งหกร้อยบอกกระทบแรงงานหลายแสนคนโร่อ้อนผานิตั้งทีมดูแลก็เขาเรียกว่าอะไรครับมันมันเป็นข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไปเพราะตอนหลังเขามีตลาดซื้อขายทองล่วงหน้าที่เรียกว่า gold future แล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าไปซื้อขายกันที่นั่น มากยิ่งขึ้นร้านค้าทองทั่วไปก็เลยมีคนไปทำธุรกรรมน้อยลงว่าอย่างนั้นเถอะร้านทองก็เลยต้องปรับตัวเรื่องความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแม้แต่กระทั่งเรื่องวิชาการเรื่องความเชื่อเรื่องอารมณ์ดีกับสุขภาพอารมณ์เสียกับสุขภาพไม่ต้องอธิบายท่านก็บอกโอ้ยรู้แล้วไม่ต้องพูดก็คือว่า ไอที่เขาว่ากันว่าอารมณ์ดีสุขภาพจะดีตามแต่อารมณ์เสียเนี่ยมันจะทําให้เกิดพิษขึ้นในร่างกายนําไปสู่การเป็นโรคต่างๆได้แต่วันนี้ดิฉันมาอ่านในโฟกัสสุขภาพของหนังสือมติชนเข า, าอารมณ์เสียบางทีก็ดีเหมือนกันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนกับที่เคยรู้มาแล้วมันเป็นอย่างไรเป็นงานวิจัยของออสเตรเลียนะคะมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์เขาบอกว่า มันทำให้เราครบคิดเรื่องราวต่างๆได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่อยู่ในห่วงอารมณ์บูดบึง้งขุนเคืองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะตัดสินใจได้ดีกว่าคนที่อยู่ในความสุขและร่าเริงแปลกนะคะแต่ว่างานวิจัยมันก็ออกมาแบบนี้แล้วละ่ะ ใครอยากจะตัดสินใจอะไรให้ถูกต้องก็ไม่ใช่อารมณ์ดีๆอยู่แล้วก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวต้องไปหาเรื่องให้อารมณ์เสียไปหาเรื่องคนนั้นเลกหน่อยหนึ่งให้รู้เดี๋ว่างานวิจัยเขาพบแบบนี้เราก็มีหน้าที่จะต้องร่วมทีมวิจัยต่อๆไปด้วยเหมือนกันว่าคอยสังเกตซิมันจริงหรือเปล่าแต่จริงหรือเปล่าก็อยากเกิดเลยนะคะอารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์ดีๆกันไว้ดีกว่าโลกวันนี้มันก็เครียดกันพอสมควรแล้วในประเด็นต่างๆ ที่จะพูดคุยสนทนาในช่วงถามโลกตอบธรรมในวันนี้คิดว่าจะนำเอาเรื่องนี้แล้วก็เรื่องร้านทองเนี่ยแหละคะ่ะเข้าไปกราบสนทนากับพระภัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนไยโศกซึ่งขณะนี้ท่านก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านคะ่ะ